ถ้าเราจะเทียบทั้งโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเราะนั้นคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำโตในเรือนจำโตอนูตในห้องขังเละไม่มีวันออกมาดูโลกภายนอกอยูแต่ในห้องอยู่่ในห้องขัง ตั้งเล็กนตโตคือไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสุขความทุกข์ก็เห็นกันอยู่ยังไงเขินจำไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาว่าเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้างมีความร่นเริ ง, เรงมันถึงไปมาหาสู่ไปแบบไหนมายังไงอยู่ยังไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไง ไม่มีทางทราบได้เพราะเราอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดเด็กอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดนี่ก็เป็นข้อเทียบเทียงความสุขความทุกข์ก็เท้าที่มีอยู่ในนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ไมีอะไรได้ไปจากโลกนอกพอเข้าไปสู่ภายในเรือนจำให้ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกในคือเรือนจำ สิ่งนี้มาจากโลกนอกคือคือภายนอกจากเรือนจําล้วมาเทียบเทียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั้นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่านั่นอย่าง น, นี้ไม่มีเขราไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจําสุขคือทุกข์มากน้อยเพยลนไรอดอยากขาดแคลนลําบากลําบนถูกกดขีบ่บังคับขนาดไหนก่อ เคยเป็นมาอย่างนั้นดั่งตั้ ง, ง, งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะกดเพื่อมตอนไปได้อย่างไงจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนเน<อ>ีพิ่งเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเลขยันตีกันอยู่ประมาณกันอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนตลอดทั้งที่นอนหมอนมุ้งอาหารปัดจดัยมันอยู่ อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประเนอลักษณะของนักโทษในเรือนจมทั้งหมดมันก็อยู่กันไปได้ถพามันไม่เคยเห็นโลก น, กนอกว่าเป็นยังไงพอทิศยาบเข้าไปเทียบเทียงว่าอันใดดีกว่าอันใดอันใดมีสุขกว่าอะไรบ้างพอที่จะได้มีแก่สิตแก่ใจดยากต่อแย้าหาอย่าง ออกไปสู่โลกภายนอกอจิตที่ถูกควบคุมจะอั น, นาจแห่งที่เหลื อ, อาชรระทั้งหลายมันก็เป็นเป่นนั้นคือถูกคุมขังอยู่ด้วยที่เหลืประเภทต่างๆตั้งแต่กับไหนกันในเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้มันก็มีมาตั้งแต่วันเกิดถูกควบคุมมาเรื่อยไม่เคยได้เป็นอิสระภายในตัวเองเลยถึงยากที่เราจะทราบได้ว่า ความสุขที่นอกเหนือไปจากจิตที่เป็นอยู่เวลานี้มันคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนตํามาตั้งแต่เด็กเลยมันทรางว่าวโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริงมันเทิงความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นอย่างไงไม่เคยเห็นเห็นแต่ถูกกดถูกขี่ถูกบังคับ ท, ทุกอย่างทุกอย่างมันจะเครื่องบังคับให้รับความลําบากลำบนอยู่ตลอดเวลา นจิตใจที่ถูกกิเลออสอาสะทั้งหลายบังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะนั้นเต็ไม่ทราบว่าจะออกทางไหนไปยังไงโลกนอกเป็นโลกอย่างไรทำท่านประกาศสอนดูบ้างๆมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่นั่งดีที่ผู้สนใจมีบางแห่งบางสถานที่ไม่มีเลยว่าโลกนอกเป็นอย่างไร ไม่มีใครประกาศไม่มีใครพูดให้ฟังไม่ทราบว่าสาสนาธรรมเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้น จ, า, จากอัตจักรธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีศาสนานี่เหมือนกับว่าโลกนอกไม่ปรากฏเลยมีแต่เดินจำเท่านั้นเกิดมาในโลกนี้มีแต่โลกเดินจำเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่พายอยู่นี่หมดในจิตใจก็ไม่ทราบว่าอะไร ที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระรยิ่งกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็ดเล่นน้นอยู่ใต้ถึงบ้านถุนเดือนแค่แคแช่แอยู่นั่นที่โซโป่งโซมงผนาดไหนมันก็พอใจเล่นเพราะไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อที่ไห น, นที่ควางขวางตีแบบว่าหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบาย มันเห็นแต่น้ำใต้ถุนบ้านถึงเดือนเที่เขาเทล้างสินล่างของลงไปแล้วปิ ด, ปดขังนั้นมันก็เล่นมันก็สนุกสนานอแบบว่ามันได้ยกสะดวกสบายลื่นลื่นพราเห็นไรพอไม่เคยเห็นน้ำที่กว้างขวางหรือลึกยิ่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความลื่นลื่นมันถึงความสุขความสบาย แต่การไปมาหรือการแบบว่ายน้ำกลางตัวได้รับความสะดวกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความลื่นเลงอยู่กับน้ําใต้ถึงบ้านทุนเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเภทนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลําคลองนั้นเป็นอีกอย่างนสนุกสนานเกี่ยวตามหน้องคลองบึงแต่ของไล่ไปเที่ยวที่ไหนมันก็ไปเต็มถนนนทาง ข้ามาเห็นโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นไร้อยๆเป็นพันๆมันเป็นเป็ดอีกปรเพนหนึง่งนี่ได้แก่อะไรก็เที่ยวเข้ามาก็ได้แต่จิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความมั่นคงมันถึงที่เกิดขึ้นจากอาตจักรธรรมซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ดเล่นน้ําในลําคลองลื่นใน บึงบางต่างๆด้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขเกิดความสุขด้วยอำนาจของกิเลสบังคับบัญชายอยู่นี้ซึ่งเหมือนกันเรือนจำทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกและเหนือที่นี้โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตตรธรรมเออนู้นมาตั้งแต่แดนนิพพานลงมาโดยลําดับลําดับ จนทั่งถึงมนุษย์โลกท่านที่ แ, แสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะ ย, ยิ่งกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ ม, มีเมื่อเราย่านยังอัดยังทำและอ่านตามตำหนักตำลาเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกคือรเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเรื่องความทุกข์ความารมาณ ที่ถูกบังคับขับสายอยู่ภายในจิตใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตใจก็มีความเรื่อนเริงมันถึงมีความโภกพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากจะปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้ น, นมาโดยลําดับลําดานั่นแหละเริ่มเห็นกระแสแหองโลกนอกพาดพึงเข้ามาแล้ว้ จ, จิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกว่กาออกให้พ้นจาก ความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันเทียบเหมือนนักโทษในเรือนจำมันนี้แล้วยืนในปฏิบตัติทางด้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมาเพียงไรความตะเกียบตะกายความบุษาพยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็ควายรากรดค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษแห่งความความกดขีบ่บังคับภาในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรม มันเป็นเครื่องปดเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปดเครื่องได้ได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภานจิตใจเบาอกปบาใจนี่เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลําดับความอึตสาห์ความพยายามความอดความทนมาตา ม, ตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่ในตักแต่แต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้นมาคน้นคิดพินิจ พ, พ, พ, พิจารณา แม้สิ่งเหลนี้จะเคยเป็นข้าศิก ม, นมนานมานกระทบกระเทือนกันอยูทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยผลใจคิดกอดเกิดความสนใจขึ้นมาอะไรมากระทบกระเทือนทั้งต า, งางหูจ ม, มูกทิ้งกายใจซึจ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมธรรมดาธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาพราะได้ทิพย์โค้นค บ, บ้างเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมในรับการอบรมในฟื้นสติปัญญาเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณ ประจักษ์ใจซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจก็มีความค่องแคลวที่จะคิดพิิจพิจารณาเกิดความอาจหานหุดค้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบก่ายพยายามส่งเสริมไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าปิดค่อยปลดเรลื่องจากสิ่งกดขีบ่บังคับหรือจากดุนจา ออกได้โดยลําดับลำดั บ, ดบยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยแหละทินโลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนดวงจันทร์ที่อยู่อย่างนี้ไม้นี่ตาก็ดึกพอมองเห็นโลกนอกเขาเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในดวงจําอื์ความเป็นอยู่ภายในจิเลศครอบงา น, นี้เป็นยังไง ทางที่บาบางกิเลสออกไปโดยลําดับลนดับจิตใจมีความรู้สึกย่างไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลําดับลำดั บ, บที่นี้มีโลกนอกตรงไหนเขาเทียบกันน่ที่นี่คือความสุขความสมาร์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสออกได้เดิมดับก็ปรากฏความทุกข์ที่กิเลสยังมีบีบคั้นอยู่ก็อทราบเห็นอยู่โทษพยายามแก้ไข่ตลอดเวลาไม่ล้นละความพากเพียรนี่แหละสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัว ตอนที่เห็นโลกเห็นทั้งโลกนอกมากน้อยและเห็นโทษทั้งโลกในที่กดถูกกดขีบ่บังคับมาเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ทราบจะ อ, อะไรมาเทียบมันไม่เห็นไม่รู้เกิดขึ้นมาก็จมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ความขึ้นคือว่าความสุขนั่นไม่ปรากฏจากโลกนอกเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอัจฉาธรรมเลยปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์รอยอดูฉากหลังที่คอยจะมาหยียบย่ทำทาลาย ที่ล้างความสุขนั้นให้หายไปโดูระดับนทีนี้เราได้เห็นความสุขภาย น, นอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุขที่ภ า, ายในจิตใรมัก็เห็นคือความสุขที่มีที่มีอยู่ที่อยู่ใต้อําอ น, นาจของกิตเรศก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ใต้อานาจของกิตเรศก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองพระจากกลับใจหความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกคือได้แก่ กระแสธรรมที่ทราบซึ้งขรถลาดจิตใจก็เห็นนี่พอเป็นข้อเทียบเทียงกันไปโดยลําดับลํำดับการปฏิบัติโดยลําดับเห็นโลกนอกโลกในทั้งคุณและโทษเอามาประกอบเอามาเทียบเทียงกันโดยลํำดับยิ่งจะเกิดความภาคเพียรความอดความทนขึ้นโดยลําดับลําดับจนกระทั่งอะไรผ่านเข้ามา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 ความเชื่อต่อแดนพ้นทุกระยะความภาคเพียนที่จะทําตัวให้หลุดพ้นไปโดยลําดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบูนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาเ ด, ดินแบบมาพร้อมพร้อมกันเลยถ้าติดปัญญาที่ให้ควรไปตามแนวทางอันใหนถูกอันใหนผิดก็มาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักธํามที่ท่านกล่าวไว้ก็เรียว่ามรรคสัมมิงคี ค่อยรวมตัวเข้ามาอยู่ในจิตแห่งจิตดวงเดียวนี้อะไรก็รวมเข้ามาสัมมาคิติสัมมาสังกปัปปะสัมมาวจาจ่าสัมมากัมมันต์ตลอดสัมมาสมาธิรวมอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดไม่ไปที่อื่นสัมมากัมมันตาก็มีแต่เดินจมกรมนั่งสมาธิคอยแล้วที้เอกรมมันตางานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลําดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมรรคสมัาธีคือมรรครวมตัวเข้ามาอยู่จิตดวงเดียว สมาทิฏฐิสัมมาสังโปรได้แก่เรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเลากี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องฐาเงนเรื่องสิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัดเกิดขึ้ น, น้ะดับไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตทอนาคตที่เข้ามาปรากฏทางจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกไปเดยนำดับไม่รอให้เสียดิ่มเวลานะสัมมากรรมนตะก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรม้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆธรรมมนตะการงานทอบอ ที่เกี่ยวกับทางกายก็ทําย่างนี้เกี่ยวกับทางใจก็วิริยะคือความภาคเปลี่ยนธรรมะอาชีวะพูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำสนทนา ก, ากันก็มีแต่สัญเลกาทำได้แก่ทําเป็นเครื่องขัดเกลารือเป็นเครื่องล้างทำล้าล้างที่เลอะอาสวะออกภารณกิจใจเราจะทําด้วยวิธีใดที่เลอะถึงจะออกตหมดไปโดยชื่นเชิงนี่สรรมาวาจาธรรมากัมมันตะธรรมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นข่าจิดต่อจิต เกี่ว่าบเลี้ยงขี้ผิด อ, อารมณ์เป็นค่าผิบแต่จิตจิตต้องมีความมัวหมองจิตมีความมัวหมองม่ใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็ที่ว่าเป็นยาผิ ด, ผดเลี้ยงขี้ไม่ชอบแย่ขายดันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขุ่ความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตจิเป็นอาหารที่เหมาะสมเนี่ยเลี้ยงจิตชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้กิน ธรรมมาวายนะเพียงชอบเพียนเพียนอะไรนี่เราก็ทราบถนบองเพียงในที่ศีรษานอะไรทำมาพยายามลาบากที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเนี่ยบาปคืออะไรก็คือความสศร้หมองความทุกข์นั่นเองละบากเยอะพยายามคำนวณระวังจะให้บาปเกิดขึ้นก่อนระวังจิดที่มันจะคิดที่วกว้างเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสู่ใจนั่นเองเพราะความคิดความตุกนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทยัยพยายามระมาาัดระวังรักษาอืม แล้วสิ่งได้ที่พยายามแก้ไขได้แล้วก็พยายาให้มันเกิดขึ้นอีกหนักนั่นก็เป็นแล้วพยายามจะเลนสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความเฉลียวฉลาดให้มนนีมากขึ้นโดยลำหนับลำหนักเนี่ยในสีสถานจะมีที่ไหนสมภิธานสี่ท่านว่าเออต้องไปอยู่ในที่นี่สมาติก็ดูอยู่ในตัวของเราเนี่มันเคลื่อนไหวไปที่ไหนความรู้ความรู้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลา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 ในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาอันใดที่เห็นว่าไม่ชอบทำจิตมันจะสลับทันทีทันทีคือปัญญานะั่นแหละมันสลับปัดทิ้งทันทีทันต์เนี่ยสมาสมาธิอา่ามันมั่ น, น, น, น, น, นตลอดเวลานั่นแระกานหนึ่งในขณะที่เราจะเข้าสมาธิให้เป็นการพักผ่อนอิตเพื่อเป็นกําลังของปัญญาในการค้นคว้าต่อไปแล้วก็พักเสียพักในสมาธิคือเข้าสู่ความสงบได้จะหยุดการปรงการแต่งการคิดค้นคว้าทางด้านปัญญาโดยประการทั้งปวง ถ้าจิตเขสงบตัวเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสบายไม่ต้องคิดตั้งปรุงอะไรซึ่งเป็นเรื่องของงานถ้าจิตให้สบายด้วยความมีอารมณ์เดียวหากว่าจิตมันมีความเพลิดเพลินต่อการพิจารณาไปมากมายกะกรองจะยับยั้งไว้ไม่ได้แล้วเอาพุทโทเป็นเครื่องชุดล่าเข้ามาให้จิตอยู่กับพุทโทคําบริกรรมกับพุทโทนี้แม้จะเป็นความปรุงก็าตามแต่เป็นความปรุงอยู่ในจุดเดียว<ม>ความปรุงอยู่ในจุดเดียวนั้นเป็นเหตุที่จะให้จิตมีความสงบ ตัวได้ด้วยควาําปรุงอันนั้นเช่นคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธหามว่าจิตมันจะแยกออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานยังไม่เสร็จเราก็ให้พยายามากําหนดคําำริรรถี่ยิบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทํางานถือจิตขั้นที่เพลินต่องา น, นมันมีเถอะไม่ได้แต่แต่ว่าเถอะมันก็พูดยากรามือไม่ได้ว่างั้นปุ่นไห่นัเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดกรหังงานเอาตอนนี้เราต้องให้ หนักแน่นในการบริกรรมบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุโทโธเป็นเครื่องย้ำยั่งจิตกําหนดพุดโทโธพุโทโธให้มันถืยอยึดอยู่นั่นแล้วกัพุโทโธก็จิตก็เป็นอันเดียวกันแน่วลงสงบพอจิตสงบลงมาจิตก็สบายปล่อยวางงานอะไรทั้งหมดเย็นขึ้นมาซึงภาในใจิตใจนี่คือสมาธิสมาธิที่ชอบในขณะที่จะพักต้องพักอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบ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 เราจะพักนอนหลับกันนอนหลับให้สบายๆในะขณะที่หลับไม่ต้องไปยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดแต่เวลาทํางานแล้วเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องการกินการนอนนรตั้งหน้าทํางานนี่คือว่าทํางานเป็นชิ้นเป็นอันทํางานเป็นรัคเป็นตอนทํางานถูกต้องโดยการโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ์เราเรียกว่าเป็นสมามัติชอบงานประเภทนี้ชอบไม่ข้าวกายกันเป็นงานที่เหมาะสมเรื่องสมาธิต่อยไม่ได้ การปฏิบัติเพื่อความราบรื้นของใจเราจะเห็นว่าสมาธิอยู่ได้เฉยๆไม่เกิดประโดุษไม่ถูกถ้าผู้ติดสมาธิไม่อยากจะออกทํางานเลยอย่างนั้นเห็นว่าถูกต้องการตมิตรสมาธิเพื่อให้ผูนั้นได้ถอนตัวออกมาทํางานแต่ถ้าจิตมีความเพลิดเพลินในงานแล้วเรื่องของสมาธิก็มีความจําเป็นในด้านหนึ่งในเวลาหนึ่งจนหน้าคนเราทํางานไม่ทักผ่อนนอนหลับบ้างเลยเนี่ยทํางานต่อไปไม่ได้อืม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 เพื่อให้เกิดกำลังขึ้นมานี่การพักสมาธิแม้ขณะที่พักให้มีความสงบความสงบนั่นแหลเป็นพลังของจิตที่จะหนุนทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วเราต้องพักให้มีความสงบถ้าไม่สงบเลยมีแต่ปัญญาเดินท่าเดียวก็เหมือนกับมีดไม่รับหินปันทุกๆติปๆหมสาสทราบเอาสันลงเอาคมลงมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากถอดดักถอนโดยทายเดียวโดยที่ปัญญาไม่รับเป็น สิ่งที่หนุนหลังคือความสงบเย็นใจให้เป็นกำลังตัวเองแล้วนันก็เหมือนชิ้นมีดไม่ได้รับหินนั่นเองพันนี้ทุกๆทิ้งๆไมค่อยขาดง่ายเสียกําลังบางชาไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พักต้องให้พักการพักผ่อนก็เหมือนกับว่ารับหินรับปัญญานั่นเองพักท่าพักขันคือสคนลกายก็มีกําลังพักจิตก็มีกําลังด้วยพอมีกําลังแล้วออกคราวนี้ก็เหมือนกับมีดไม่รับหินแล้ว อารมณ์อันเก่านั่นแหละปัญญาอันเก่านั่นแหละผู้บําเพ็ญก็ผู้เก่านั่นแหละแต่กําหนดลงไปนี่มันขาดทะลุไปเลยาวทำเหมือน ก, นกันกับคนที่มาพักผ่อนนอนหลับรับาอาหารให้สบายรับมีดรับทราให้เรียบร้อยแล้วไปปันไม้ทอนนั่นแหละคนคนนั้นแหละมีดเล่มนั่นแหละแต่มันก็ขาดได้อย่างง่ายดายเพราะมีดก็แหลมมีดก็คมคนก็มีกํำลังนี่อารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นแหละ ปัญญาก็ปัญญาอันนั้นแหละแต่ได้รับหินแล้วกำลังของกิจก็มีแล้วเป็นเครื่องหนุนปัญญาจิ้งแทงทะลุปไปแล้วยอย่างรวดเร็วผิด ก, กับเราไม่พักในสมาธิเป็นไหนๆปัญหาเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจิ้งเป็นทำเกี่ยวเมื่อันไปเดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทำงานในวาระต่างกันเท่านั้นวารานี้จะทำสมาธิก็ทำเสียวารานี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัต เต็มทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มวิตถิกำลังเราก็พิจารณาลงไปให้เป็นเหตุเต็มผลเวลาจะพักก็พาคให้เต็มที่เต็มฐานเหมือนกันเวลาให้ให้เป็นกนเนาะแลาะเวลาให้ก้าวกากันทั้งจะพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งเป็นห่วงสมาธิเวลาพิจารณาแล้วในเวลาเข้าสมาธิทั้งจะเป็นอารมณ์กับเรื่องปัญญาอันนี้ไม่ถูกจะปล่อยทางไหนจะทํางานอะไรให้ทําเถีย อ, อย่างนั้นจริงๆ ให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมาะสมถูกต้องที่ว่าสัมมาสมาธิก็ เ, เป็นอย่างนี้เองในเรื่องของกิเลศที่ว่ามันเป็นเรื่อนกดท่วงจิตใจจิตทั้งรานี่เหมือนเป็นนักโทษพิเรศอาส า, าทั้งหลายครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลาบังคับทรมานจิตใจมาตลอดตั้งแต่เกิดมานี่เมื่อปัญญาได้ถอดถอนออกไปลำดับแล้วมันก็มีความสว่างสละไขึ้นมา ความบาบางของจิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อสรได้เราก็เห็นคุณค่าของอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนภพชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจตรงเดียทั้งหมดนั่นเป็นกินกลางสาขาเช่นออกปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปนั้นต้นของมันมันจึงอยู่ที่ใจเวลาเราพิจารณาสิ่งนั้นรอกเข้ามารอกเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ใน จิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดอมวัตตาบนไม่ได้เจออะไรได้เจอจิตดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ท้าให้เกิดให้ตารอยู่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะเชื่องมันมีอยู่ภายในเมื่อไรข้าติปัญญาพิจารณาค้นคว้างเห็นชัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลำดับลําดับลาดับจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวการสำคัญมีอภิชาเป็นสิ่งสําคัญมากที่อยู่เป็นเชื่อวัตตะอยู่ภายในใจิตใจ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 พิจารณาเอาอันนั้นล่ะเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายของการพิจารณาอ้าวอันนี้จะสลายลงไปเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้ไม่ได้คิดหายจมกันกันก็ให้รู้จะถีเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพื่อเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงถ้ามันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะชิบหายลงไปให้ชิบหายนละที่สุดผู้รู้ที่กําลังพิจารณานี้จะคิบหายไปตามเขาก็ให้รู้อ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 มีมากมุนขึ้นมาได้และทําให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทําให้หมดทิ้งไปก็ได้เพราะเป็นเรื่องของสมมติเน่ยการจิตร้นล้วนจึงเป็นธรรมชาติเดียวกว่าวีมดถ้าหลุดบริสุทธิ์ได้เรียวกว่าวีมดถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นสมมติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แก้นี้ออกจนหมดแล้วธรรมชาติที่เป็นย ม, มุดนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทําอะไรไม่ต่อไปไม่ได้อีกก็ไม่ทราบจะทําอะไรให้เป็นไปได้อีก เพราะมันพอมีวิสัยที่จะทํำแล้ววิสัยที่ทําำพมีแต่เรื่องสมมติเ่านั้นเมื่อแกสมมติออกจากใจหมอแล้วมันก็หมดวิสัยแล้วอะไรทิพไห้ที่นี่ทุกก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปไม่รูดความดับทุกก็ดับไปมัดเครื่องประหารสมุทัยก็ดับไป ถ้าจะทาทั้งสี่ดับไปโดยกนรทั้งนั้นทุกก็ดับสมุทัยก็ดับนิโรธก็ดับมรรคก็ดับน่างเด็จอะไรที่รู้วันนี้ทุกดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคดับไปนะอะไรที่รู้ว่าสิ่งนั้นๆดับไปผู้นี้แหละผู้ไม่ใช่สัจธรรมนะผู้นี้ผู้เหมือนสัจธรรมการพิจารณาสัจธรรมเพื่อพิจารณาเพื่อผู้นี้เท่านั้น เมื่อถึงตัวกินนี้แล้วสัจธรรมทั้งสี่ก็หมดความหมายไปเองโดยไม่ต้องไปชำระไม่ต้องไปแส่ไขไม่ต้องไปปวดเครื่องเช่นปัญญาเหล่านี้เวลานี้เรทํางานเต็มที่แล้วปัญญาเราปล่อยได้ไม่ต้องไปต้ทั้งหมดไม่ต้องไปมีมมกาําหนดกฎเกณฑ์้าติก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งเป็นเครื่องลบสิ่งนี้เพราะค่าสึกสงครามมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะอะไรที่เหลือตุอยู่ก็คือความเมตตุนั่นหละพระพุทธเจ้าที่นำไปสอนโลก ประกาศธรรมของโลกเอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละไปสอนสอนโลกฐาสนธรร ม, รมออกจากธรรมชาติอันนี้ต้องและอุบายแหงการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกข์ของสมุทยัยของนิโรธของมากเพราะอาการอันนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับจุบดหยงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบำเพ็ญทุกสิ่นทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้จากความบอิสุทธนี่ออกโลกนอกแล้วทีนี้ ออกจากเรือนจำแล้วไปสู่โลกหน้านอกโลกอิสระเสรีโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครอยากไปกันเพราะไม่เคยเห็นนะนี่โลกอันนี้เป็นโลกสาคัญโลกอุตละฮที่เป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียวว่าโลกนอกนอกจากสมมุติทั้งหมดเราเรียกว่าโลกไปงั้นอ่ะเพราะโลกในสมมติก็ว่าไปงั้น มันพิจนามันออกจากที่คุมขังืนี่สิเลยเก็เกิดในที่คุมขังอยู่ก็อยู่ที่คุขังตายไปในที่คุมขังอยู่นั่นไมนได้ตายนอกจากเรือนจำสัถทีเอาะมัน น, นอกเรือนจาสักทีในแสนสบายแสนสบายนำปปุจจ า, ารสาวกทคลงหลายท่านท่านก็เกิดในเรือนจาเหมือนกันแต่ท่านออกไปตายนอกเรือนจําอืออกไปตายนอกโลกไม่ได้ตายอยู่ในโลก อฎสีบังคับนี้อเอาไปพิจารณาาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าเคร่งขวัญขอหยุด